เรรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองกันยายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจ ของพุทธศาส น, นิกชนเพื่อมาพิสูจน์ให้เห็นให้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสวากาโตภะวตาธรรมโอหรือไม่เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วหรือไม่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนั้นเป็นความจริงหรือไม่ เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะเป็นเหมือนกับรับยาจากหมอมารักษาโรคของเราหมอให้ยามาถ้าเราเอายาที่หมอให้มารับประทาน เราก็จะรู้ว่ายานั้นจะรักษาโรคเราได้หรือไม่ถ้าเรารับยามาแต่เราไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่ายารักษาโรคของเราได้หรือไม่ถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเราก็จะรู้ถ้าโรคที่เรามีอยู่นั้นหายเราก็รู้ว่า ยานี้รักษาโรคได้ถ้าโรคยังไม่หายก็แสดงว่ายานี้รักษาโรคไม่ได้ฉันใดพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับยาเป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่า นรกมีจริงสวรรค์มีจริงตายแล้วไปเกิดมีจริงต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มีจริงว่ากรรมมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะพิสูจน์กันได้ว่ามีจริงหรือไม่ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอน แล้วน้อมเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติถ้าเราน้อมเอาไปปฏิบัติแล้วแต่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ยังไม่เห็นว่าตายแล้วยังต้องไปเกิอดอีกอย่างนี้แสดงว่าเรายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นที่ท่านให้เราปฏิบัติถ้าเป็นยาก็ ยังรับประทานยาไม่ครบยังขาดยาบางชนิดอยู่หมอให้ยามาหลายชนิดด้วยกันแต่เรารับประทานเพียงบางชนิดถ้าอย่างนี้โรคก็จะไม่หายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่ท้าให้เราพิสูจน์นั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ครบวงจรไม่ครบ ถ่วนตามที่ท่านได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะยังไม่เห็นเราอาจจะเห็นเป็นบางส่วนแต่ยังไม่เห็นหมดแต่ถ้าเราได้ ป, ปฏิบัติจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่ปิดบังแต่อย่างใด สิ่งที่ปิดบังใจเราไม่ให้เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็คือความมืดบอดของใจเรานั่นเองใจเราเหมือนคนตาบอดย่อมไม่เห็นสิ่งที่คนตาดีมองเห็นแต่ถ้าเราลืมตาเราขึ้นมาเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับคนที่ตาดีเขามองเห็น ดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อให้ตาของเราตาใจของเราเลืมขึ้นมานั่นเองตาของเราตอนนี้ถูกมืดบอดด้วยอวิชชาความไม่รู้โมหะความหลงพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราเบิกตาภายในใจของเราด้วยธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเพียงแต่ศึกษาได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้นำออกไปปฏิบัติก็เหมือนกับการรับยาจากหมอมาแล้วไม่ได้เอาไปรับประทานเอายามาแล้วก็เอาวางไว้เฉยๆแล้วก็นั่งรอให้โรคหายอย่างนี้โรคก็จะไม่หายต้องเอายามารับประทาน ฉันใดก็ทําคําสอนก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ตั้งน้อมเอามาปฏิบัติทำที่ทรงสอนให้เราปฏิบัตินั้นก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานคือการให้ขั้นที่สองเรียกว่าศีลคือการไม่เบียดเบียนกันขั้นที่สามคือภาวนาเป็นการชำระ ความมืดบอดของใจให้หายไปทำใจให้สว่างขึ้นมานี่คือธรรมะสามขั้นตอนที่เราต้องใช้ในการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงตรัสสอนสั์โลกนั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าเราทำไม่ครบถ้วนหรือทำไม่ถูก เราก็จะยังไม่เห็นแต่ถ้าเราทำถูกต้องครบถ้วนแล้วเราก็จะเห็นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพราะเราได้รืมตาในของเราขึ้นมาเมื่อตาในเราสว่างสวัยด้วยแสงสว่างแห่งธรรมแล้วสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรา เราจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายเห็นกรรมเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นมรรคผลนิพพานเห็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้รับรองแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้รู้สิ่งเหล่านี้เพียงพระ อ, องค์เดียวหลังจากที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกเช่นพวกเราแล้วเมื่อฟังแล้วเกิดศรัทธาก็น้อมเอาไปปฏิบัติจนกลายเป็นพระอารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอารหันตสาวกทั้งหมดนี้ไม่มีองค์ใด ที่ออกมาค้านว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนำเอามาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่เป็นจริงไม่มีไม่มีอยู่ไม่มีองค์ใดเลยที่จะมาคา้านมีแต่รับรองพระธรรมคำสอนทุกๆพระองค์ทุกๆองค์เลยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสันติโกแปลว่า ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นได้ด้วยตนเองต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาถ้าฟังเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติก็จะยังไม่เห็นแต่ถ้าทาถ้าฟังแล้วนำเอามาปฏิบัติรับรองได้ว่าจะต้องเห็นอย่างแน่นอนเพราะความจริงเป็นอย่างนี้ เหตุผลเป็นอย่างนี้เหมือนกับวัดยานี้ถ้าท่านยังไม่เคยมาท่านก็จะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านนั่งรถมาเดินทางมาจนถึงวัดนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่าวัดยานี้เป็นอย่างไรจะหายสงสัยว่าวัดยานี้มีจริงหรือเปล่ามีการปฏิบัติธรรมอย่างที่กระทำกันอยู่อย่างนี้หรือเปล่า ความสงสัยต่างๆเหล่านี้จะหายไปหมดเพราะเราได้มาพิสูจน์กับตัวของเราเองด้วยการเดินทางมาที่วัดถ้าอยู่ที่บ้านแล้วฟังคนเขาเล่าให้ฟังก็จะยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือไม่นี่ก็คือหลักของการพิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว ต้องเอาไปพิสูจน์ดูต้องไปดูถึงจะเห็นถ้าไม่ไปดูก็จะไม่เห็นการที่จะดูก็ต้องดูด้วยการปฏิบัติทำสามขั้นตอนคือขั้นแรกให้ทำให้ททานให้บริจาคทรัพย์สิ่งของต่างๆที่มีเหลือกินเหลือใช้ที่ไม่มีความจำเป็นต่อการ ดูแลอัตภาชีวิตร่างกายของเราเราก็แบ่งปันส่วนนี้ไปให้กับผู้อื่นแล้วก็ให้รักษาศีลคือไม่ให้เบียดเบียนกันเพราะการกระทำสองขั้นนี้จะเป็นการสนับสนุนการกระทำขั้นที่สามคือการภาวนาถ้ายังไม่ได้ทำบุญให้ทาน ยังมีความตรนหนียังมีความหวงในสมบัติข้าวของเงินทองก็จะไม่มีความเมตตาการุณาเมื่อไม่มีความเมตตาการุณาก็จะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่มีศีลเมื่อไม่มีศีลจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะวุ่นวายเมื่อวุ่นวายก็จะไม่สามารถเจริญ จิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบได้เมื่อจิตไม่สงบก็จะไม่สามารถพิจารณาทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงได้เมื่อไม่สามารถภาวนาได้ผลที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของเรา ดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญทำทานอย่างจริงจริงจังๆก็เราต้องทำก่อนไม่ใช่ทำศัก์แต่ว่าทำทำตามธรรมเนียมประเพณีทำตามวาระโอกาสเช่น ท, ทำในวันเกิดบ้างในวันสำคัญทางาศาสนาบ้างหรือเวลาที่มีคนตายไป เราก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปเหล่านี้เป็นการทาตามเหตุการ์ยังไม่ได้ทำอย่างจริงจังถ้าทำอย่างจริงจังนั้นต้องทำด้วยจิตใจที่มีความยินดีมีความพ่อใจที่จะทำเพราะเชื่อว่าเมื่อทำแล้วจะทำให้ใจของเรามีความเมตตามีความกุณา เชื่อว่าทำแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอคือเชื่อว่าเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารใจนั่นเองเวลาที่เรารับประทานอาหารของร่างกายเราไม่ได้สักแต่ว่ารับประทานไม่ได้สักแต่รอเหตุการณ์แล้วค่อยรับประทานรอวันเกิดทักทั้งหนึ่งแล้วค่อยรับประทาน รอวันตายของคนนั้นคนนี้สักครั้งหนึ่งแล้วค่อยรับประทานถ้าเรารออย่างนั้นร่างกายของเราก็จะอยู่ไม่ได้เพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปไม่พอเพียงฉันใดอาหารที่เราต้องให้กับใจเพื่อให้มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เช่นรักษาศีลก็ดีหรือภาวนาก็ดีเราก็ต้องมีทานเป็นเครื่องสนับสนุน เราต้องให้อาหารกับใจให้ใจมีกำลังมีความอิ่มมีความพอเพราะเมื่อมีความอิ่มมีความพอแล้วก็จะไม่มีความทะเยอทะยานที่จะอยากได้สิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นเมื่อเราไม่มีความทะเยอทะยานอยากได้เราก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเราสามารถอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติได้ เราอยากจะได้อะไรเราก็หามาด้วยวิธีที่ไม่เบียดเบียนกันเราก็จะมีศีล ข, ขึ้นมาเมื่อเรามีศีลแล้วจิตใจของเราก็จะสงบเย็นสบายไม่วุ่นวายเหมือนต่างกับเวลาที่เราไปทำผิดศีลเวลาทำผิดศีลนี้เราจะรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจมีความหวาดภาวาหวาดกลัวต่างๆ เพราะเรารู้ว่าเราได้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นเราก็กลัวว่าเขาจะมาจองเวรจองกรรมมาทําร้ายเรานั่นเองใจของเราก็จะไม่สงบไม่สบายเมื่อไม่สงบไม่สบายจะทําจิตใจให้สงบนิ่งจริงๆก็จะทําได้ยากทําไม่ได้เลย เพราะมันเป็นการต่อสู้กันโดยลำพังถ่าจิตที่มีสีแล้วเวลาทำสมาธิก็ยังไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะถึงแม้จะสงบแต่ใจก็ยังคิดได้เรื่องราวต่างๆคิดแล้วมันก็จะมาขวางการทำใจให้สงบยิ่งถ้ามีความวุ่นวายใจที่เกิดจากการไปเบียดเบียนผู้อื่น ยิ่งจะทำให้การภาวนาทำจิตใจให้สงบนิ่งยิ่งลำบากเป็นสองเท่าเราจึงต้องตัดความวุ่นวายใจทางภายนอกออกไปก่อนคือการที่เกิดจากการเดียนเดียนผู้อื่นด้วยการมีศีลละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดปรเวณีพูดปลดโดเทศเสพสุรายาหมา เมื่อเราได้ทำอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวภายนอกก็มีแต่เรื่องภายในใจที่ยังอดทีจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ไม่ได้แต่ก็จะไม่หนักเหมือนกับตอนที่ไม่มีสี่เพราะจะต้องมากังวลกับเรื่องการถูกจองเวรจองกรรมอีก ดยงนั้นท่านจึงสอนให้เราทําทานก่อนทําด้วยความจริงใจทําด้วยความจริงจังเหมือนกับการรับประทานอาหารเวลาเรารับประทานอาหารเราไม่ได้เราไม่ได้รับประทานแบบเล่นๆสักแต่ว่ารับประทานแต่เรารับประทานอย่างจริงใจจริงจังเอาจริงเอาจังกับการรับประทานรับประทานจนอิ่มเลย นั้นใดการทำบุญให้ทานก็ต้องทำอย่างจริงจังอย่าทำศักด์แต่ว่าทำการทำทานก็คือเราต้องการให้ผู้อื่นก็มีความสุขเราต้องการให้เขาเได้สิ่งที่ดีจากเราไม่ใช่ศักด์แต่ว่าให้ของอะไรที่เราไม่ใช้แล้วเราอยากจะโยนทิ้งแล้วแล้วเราก็อให้เขาทำอย่างนี้มันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร สู้ทําแบบที่ตั้งใจทําจริงๆอยากจะให้เขามีความสุขจริงๆเหมือนกับเราอยากจะมีความสุขจากการได้รับของดีๆชั้นใดเวลาเราอยากจะให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็ต้องซื้อของดีๆให้กับเขาอย่าเอาของที่มันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไปให้เขาเพราะมันจะไม่ได้ทําให้เราเกิดความอิ่มเอิบใจ สิ่งใดที่เรามีความตั้งใจมีความพิถีพิถันในการที่จะให้กับผู้อื่นเวลาเราให้ไปแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจและความพอใจเวลาที่จะถวายสังฆทานก็ควรที่จะมีความพิถีพิถันไปหาซื้อของที่ผู้รับควรจะ ใช้ได้อย่าไปซื้อของที่เขาจัดไว้เป็นชุดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับจะไม่ได้ใช้เพราะว่ามันมีล้นวัดเพราะว่ามันเป็นของซ้ำๆซากๆกันแล้วก็เป็นของที่ไม่มีคุณภาพคนถวายก็สักแต่ว่าถวายคนรับก็สักแต่ว่ารับไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าเราพิถีพิถนนันหน่อย ไปซื้อของที่เรารู้ว่าผู้รับจะต้องใช้เช่นของจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาซีฟันแปรงซีฟันของต่างๆเหล่านี้เป็นของที่ใช้ได้ทุกคนแล้วก็เกิดประโยชน์ดีกว่าซื้อของที่มันเขาจัดมาเป็นชุดที่ไม่มีความจำเป็น เช่นมีโกนี้ซื้อมาสักสิบอันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปใช้ที่ไม่มีคุณภาพซื้อมาสักสิบอันได้มาสักสิบอันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซูซื้อของดีๆสักชิ้นหนึ่งดีกว่าเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนี่คือการให้ทานนี่เป็นการเพียงแต่พูดเป็นตัวอย่างระหว่างการทำด้วยความตั้งอกตั้งใจทำ หรือทำศักแต่ว่าทำถ้าทำศักดแต่ว่าทำพออยากจะทำก็ขับรถผ่านเห็นเขาตั้งกระแป้งสังฆทานข้างถนนก็แวะสั่งซื้อมาเลยไม่รู้ว่าของที่เขามีอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างคิดว่าเขาจัดมาให้ครบดีอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดเลยว่าของเหล่านี้มันมีมากมายกายกองขนาดไหนเวลาที่เราไปถวายตามวัดต่างๆ มันไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนกลายเป็นกองขยะเสียมากกว่านี่คือการทำทานทำทานแล้วก็จะนำไปสู่การมีสีไม่เบียดเบียนกันเพราะเราจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราจะมีความการุณาความสงสารต่อผู้อื่นเมือ่อมีคุณธรรมทั้งสองประการนี้ ก, ก็จะทำให้เราไม่คิดที่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่น เวลาเราอยากจะได้อะไรมาเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราหามาด้วยวิธีใดหามาแล้วไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่ถ้าเดือดร้อนก็จะไม่เอามาเพราะไม่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ใจของเราไม่สงบทำให้ใจของเราวุ่นวายแล้วเราจะไม่สามารถพัฒนาปฏิบัติธรรมขั้นที่สาม ได้ก็คือการภาวนาแต่ถ้าเรามีความสงบจากการกระทาที่ที่ไม่ดีแล้วคือจิตใจไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นใจของเราก็จะไม่กังวลก็จะสงบจะสบายเราก็อยากจะทําจิตใจให้สงบมากขึ้นเพราะเห็นว่าความสงบของจิตใจนี่แลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าการมีอะไรต่างๆในโลกนี้แล้วเราก็จะได้หาเวลามาทำภาวนาในเรื่องต้นก็ทำจิตให้สงบด้วยการเจริญสมถะภาวนาคือกำหนดจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องผูกใจไว้เพื่อจะได้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเช่นให เราเลถึงคำว่าพุทโทธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าอยู่กับคำบริกรรมพุทโธใจก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นในขณะนี้กำลังพูดธรรมะอยู่จะแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่ได้เพราะจะต้องคิดแต่เรื่องของธรรมะถ้าเราบริกรรมอยู่กับพุทโธใจของเราก็ต้องอยู่กับพุทโธ จะแวะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้นอกจากเราไม่บริกรรมแล้วเราแวะไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่ใจนี่มันเร็วมากมันเร็วมากจะกระทั่งเหมือนกับว่าเราสามารถทาสองอย่างด้วยกันได้คือบริกรรมไปด้วยแล้วก็คิดเรื่องอื่นไปด้วยแต่ความจริงแล้วใจมันสลับไปสลับมาบริกรรมปั๊บแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นแล้วก็กลับมาบริกรรมใหม่ หังนั้นเราต้องระมัดระวังในเวลาที่ทำจิตใจให้สงบถ้าต้องการเห็นผลที่เกิดจากการความสงบเราต้องมีสติเฝ้าใจให้อยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวบริกรรมไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทธโธไปได้แล้วต่อไปใจก็จะสงบพอใจสงบนิ่งแล้วก็จะมีความสุขมีความสบายจะปรากฏ เห็นใจขึ้นมาใจจะแยกออกจากกายจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งใจนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะเข้าใจแล้วว่าเวลาคนตายไปนั้นร่างกายตายไปนั้นใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจกับร่างกายนั้นเป็นคนละส่วนนั่นเองเป็นคนละอย่างกันใจเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่ง เมื่อกายไม่สามารถอยู่กับใจได้ใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จึงเห็นว่าออนี่แหละคือการไปเกิดเป็นอย่างนี้เองพอร่างกายนี้ไม่มีแล้วใจก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จะไปหาร่างกายดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ได้ทำไว้ถ้าทำบุญไม่เบียดเบีย น, ยนผู้อื่นไม่ทำบาปทำกรรม ก็จะได้ร่างของมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นก็จะได้ร่างทิพย์กายทิพย์ของเทวดาของโพลแต่ถ้าไปเบียดเบียนผู้อื่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นพอตายไปใจก็จะไปได้ร่างของเดราชาหรือไม่เช่นนั้นก็ได้ร่างได้กายทิพย์ของพวกเปรพวกศัตรกพวกนี้ก็เป็นกายทิพย์เหมือนกัน แต่เป็นกายทิพย์ที่มีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาพวกเปรตนี้ก็มีแต่ความหิวความอยากความต้องการรุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาต่างกับกายทิพย์ของเทวดาที่มีแต่ความอิ่มหนำสําราญใจมีแต่ความสุขความเพลิดเพลินใจกับรูปเสียงกินรสโพธิพทิพย์ชนิดต่างๆ ้าได้กายทิพย์ของพมก็จะเป็นจิตที่มีความสงบนิ่งอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานมีความสุขเหนือความสุขที่ได้จากการเสษอาหารทิพย์ชนิดต่างๆนี่คือผลที่จะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราทำจิตใจให้สงบเราจะเห็นชัดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกัน แล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีจริงหรือไม่นรกรมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ตายแล้วต้องไปเกิดหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถทาใจของเราให้หยุดจากการไปเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการทำสมถะภาวนา ไม่ได้ไปกำจัดเชื้อของภพชาติต้นเหตุที่จะพาให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสตัณหาทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆสิ่งเหล่านี้จะหมดไปได้ต้องอาศัยการบาเพ็ญภาวนาอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต้องสอนใจให้ฉลาดรู้ทันความหลง ความหลงทำให้ใจเกิดความโลภเกิดความอยากเมื่อไม่ได้ต่างความโลภต่างความอยากก็เกิดความโกรธขึ้นมาถ้าใจมีปัญญารู้ทันความหลงก็จะไม่มีความโลภความอยากเมื่อไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีความโกรธตามมาดังนั้นวิธีที่กาจัด กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงก็คือต้องสอนใจให้รู้ทันความหลงความหลงนี่คืออะไรก็คือการเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่ามันเป็นแต่ความทุกข์ทั้งนั้นได้อะไรมาแทนที่จะให้ความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์แถมมาด้วย และเป็นความทุกข์ที่ทรมานมากกว่าความสุขที่ได้รับเป็นความทุกข์ที่มีมีโทษมากกว่าคุณจากความสุขที่เราได้รับไม่ว่าเราได้อะไรมาทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเช่นได้สามีมาได้ภรรยามาก็ต้องต่อความทุกข์ที่ต้องห่วงต้องทุกข์ต้องห่วงต้องหวงต้องกังวล ต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เขาเป็นอะไรไปแต่ถ้าเราไม่มีสามีหรือไม่มีภรรยาเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเขาถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องไปทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันอยู่ใต้กฎของอนิจจมทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เป็นของของเราอย่างแท้จริงไม่ไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งต้องจากเราไปนี่คือวิปัสสนาคือต้องสอนใจให้รู้ทันความหลงให้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราควรจะยินดีเพราะเขาไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเขาให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุข เพราะเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสัากวันหนึ่งเรากับเขาต้องจากกันไปเช่นเมื่อเราตายไปเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีสมบัติเข้าของเงินทองของเราก็ดีสามีภรรยาบุตรทีดาของเราก็ดีเพื่อนฝูงของเราก็ดีเราต้องทิ้งเขาไปหมดต้องจากเขาไป เพราะมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราถ้าเรารู้ทันแล้วต่อไปเราจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรเราจะพอใจกับการอยู่ตามลำพังของเราเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบและเราจะใช้เวลาของเราทั้งหมดนี้ทุ่มเทกับการทำจิตใจให้สงบทุ่มเท กับการทำจิตใจให้เราฉลาดรู้ทันความหลงเมื่อเรารู้ทันจนไม่มีความหลงเหลืออยู่ในจิตใจของเราแล้วเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่ที่เรียกว่าปรมงสุขขังจิตของเราได้ถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์เห็นได้เราจะรู้เลยว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริง รู้เลยว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงเพราะเรารู้ใจเราเห็นใจผู้เป็นตัวที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะต้องไปเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นเทเเป็นพรหมเป็นเปรยเป็นสัตว์นรกไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือใจของเรานี่เองที่เกิดจากการกระทาบาปและบุญเท่านั้น นี่คือสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะไม่สงสัยอิบต่อไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ไม่ใช่เชื่อเฉยๆโดยที่ไม่นำเอามาพิสูจน์ความเชื่อในทางพุทธศาสนานี้หมายถึงให้เชื่อเพื่อจะนำเอามาพิสูจน์เหมือนกับเชื่อหมอเชื่อยา แล้วก็เอาอยามารับประทานพิสูจน์อยู่ว่ายาจะรักษาโรคให้เราหายได้หรือไม่ฉันใดสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นเช่นนั้นสอนให้เรานำเอาไปพิสูจน์พิสูจน์ว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกรรมมีจริงหรือไม่เราจะพิสูจน์ได้เพราะมีผู้อื่นได้พิสูจน์มาแล้ว เช่นพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้พิสูจน์มาแล้วท่านได้รับรองคางสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วและท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วท่านได้ไปถึงพระนิพพานแล้วจึงขอให้เราจงลองนำเอาไปพิสูจน์ดูแลรับรองได้ว่าเราจะไม่ผิดหวังจึงขอฝากเรื่องการพิสูจน์ พรทำธรรมสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทาบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนาอย่างจริงจังขอให้ทำอย่างจริงจังอย่าทำสัตจะว่าทำแล้วจะเห็นผลจะพิสูจน์ได้อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระเสดรัตนตรยัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปก ป, ป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญแค็งแกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ